พรหมวิหารประการที่สี่อุเบกขาภาวนาการภาวนาอุเบกขาพรหมวิหารนี้มีข้อที่แปลกจากพรหมวิหารสามข้างต้นที่โยคีบุคคลควรทราบคือพรหมวิหารสามข้างต้นนั้นใกลๆก็ตามเมื่อมีความประสงค์จะเจริญภาวนาแล้วก็ลงมือปฏิบัติกันได้ทุกคนและโดยทันทีทีเดียว ส่วนอุเบกขาพรมวิหารนี้หาปฏิบัติเช่นนั้นได้ไหมผู้ที่จะลงมือปฏิบัติมีเขตจำกัดไว้เป็นธรรมนิยมเฉพาะแต่ผู้ที่เป็นชาณลาภีบุคคลคือผู้ได้ปฏิบัติพรมวิหารสาบเบื้องต้นข้อใดข้อหนึ่งจนได้บรรลุถึงขั้นตัติยะชาญโดยจตุ ก, กันในหรือจตุทตชาญโดยปัญจกัรในมาแล้วเท่านั้น จึงจะลงมือเจริญภาวนาอุเบกขาพรหมวิหารเป็นผลสําเร็จมาแต่พรหมวิหารสามข้างต้นโดยเฉพาะและอุเบกขาพรหมวิหารนี้เข้าประกอบได้แต่ในจตุททชานโดยจดตุ ก, กนันในหรือในปัญจมะฌานโดยปัญจกันในเท่านั้นหาได้ประกอบในฌานต้นๆไม่จเจริญอุเบกขา ในบุคคลกลางๆอันดับแรกเพราะฉะนั้นโยคีบุคคลผู้ชาลลาผีมีความประสงค์จะเจริญอุเบกขาพรงมวิหารนั้นก่อนแต่จะลงมือปฏิบัติต้องเข้าสู่ตัติยาชานที่ตนได้ทำให้ชำนาญคล่องแคล่วมาด้วยว่าสีหด้วยอำนาจชาญสาหรือชาญสแล้วแต่กรณีที่ได้สำเร็จมาในเมตตา หรือกรุณาหรือมุทิตากรรมฐานอย่างใดยอย่างหนึ่งครั้นออกจากตติยะฌานแล้วพึงพิจารณาให้เห็นโทษของเมตตาการุณาและมุทิตาว่าต่างก็ยังต้องมีการสารวนสนใจอยู่ในสัตว์ทั้งหลายด้วยการส่งจิตไปว่าขอให้สัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิดเป็นต้นและยังมีอาการเป็นไปใกล้ต่อความรักและความชังอยู่ กับทั้งยังมีอาการเป็นไปใกล้ต่อความดีใจในอันที่จะต้องส่งจิตไปว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิดคือเมตตาขอสัตว์ทั้งปวงจงพ้นจากทุกเสียเถิดคือกรุณาขอสัตว์ทั้งปวงจงเจริญเจริญเถิดคือมุทิตาประกอบด้วยมีองค์ฌานที่หยาบเพราะฌา น, นนั้นๆยังประกอบด้วยโสมนัสเวทนาอยู่ ฉนี้ครั้นแล้วพึงพิจารณาให้เห็นอนิสงของอุเบกขาพรหมวิหารเป็นต้นว่าเป็นสภาพที่ละเอียดสุ ข, ขุมปราณีตห่างไกลจากกิเลสมากและมีผลอันกว้างใหญ่ไพศาลกว่าพรหมวิหารสามข้างต้นฉนี้ลำดับนั้นโยคีบุคคลพึงเพ่งจิตเป็นกลาง ไปยังคนผู้เป็นกลางๆ ก, กับตนอย่างเล่าๆเล่าๆโดยวิธีที่มองในแง่ที่คนทุกคนรวมทั้งตนเองด้วยเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนว่าคนผู้นี้เมื่อเขาจะมาเกิดในโลกนี้เขามาด้วยอำนาจกรรมที่เขาได้ทำเอาไว้เองเมื่อเขาจะจากโลกนี้ไปนั่นเล่าเขาก็จะต้องไปด้วยอำนาจกรรมที่เขาได้ทำไว้เองแม้ตัวเราบ้างก็เหมือนกัน เมื่อจะมาอย่างโลกนี้หรือจะจากโลกนี้ไปก็สำเร็จด้วยอำนาจกรรมที่ตัวเราเองได้ทำไว้เองทั้งสิน้นการที่เราจะช่วยกอบโกยเอาความสุขใจมาให้หรือจะช่วยปลดปลิดความทุกข์ใจออกให้แก่คนผู้นี้ด้วยความพยายามของเราเองนั้นหาใช่วิสัยที่จะเป็นไปได้ไหมและการหมัวสาลวนวุ่นวายอยู่ในสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการแผ่เมตตาจิตบ้างการุณาจิตบ้างมุทิตาจิตบ้างไปถึงเขาผู้นี้มิใช่เป็นการกระทําที่ถูกต้องตรงตามความมุ่งหมายแท้ทีเดียวการวางใจไว้เป็นกลางๆในสัตว์ทั้งปวงนี้ตังหากเป็นมรคคาที่พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดําเนินไปแล้วและเป็นปฏิปทาที่ตรงเป้าหมายในทางปฏิบัติ โยคีบุคคลพึงส่งจิตไปนในบุคคลนั้นด้วยบทภาวนาดังนี้ว่าอยังสัตโตกรรมสโคโหติสัตว์ผู้นี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนถ้าตั้งแต่สองคนขึ้นไปว่าเอเตสัตากรรมสกาโหติสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนหรือว่า สัพเพสัตตากรรมสกาาหวนติสัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีกา ร, รเป็นของแห่งตนทั้งนี้ด้วยวิธีที่นึกภาวนาในใจบ่อยๆหลายครั้งหลายหนจนกว่าอุเบคาคือความเป็นกลางๆในบุคคล น, นั้นจะปรากฏขึ้นในจิตยอย่างเด่นชัดเมื่อโยคีบุคคลพยายามปฏิบัติอยู่โดยทํานองนี้ ความวางใจเป็นกลางๆอย่างปกติในบุคคลนั้นก็จะเป็นสภาพตั้งอยู่อย่างแน่วแน่ไม่ลับออกไปหาอารมณ์ภายนอกอื่นๆ น, นี่คือลักษณะของอุปจาระภาวนาลักษณะนั้นนิวรณ์ห้าย่อมถูกข่มให้สงบไปด้วยอำนาจพลังแห่งภาวนากิเลสทั้งหลายก็สงบลงตามกันด้วยประการฉนี้ เจริญอุเบกขาในคนที่รักเป็นต้นลำดับนั้นโยคีบุคคลพึงเจริญอุเบกขาที่ได้ทำให้บังเกิดขึ้นแล้วในคนเป็นกลางๆงนั้นไปในบุคคลประเภทอื่นๆมีคนผู้เป็นที่รักเป็นต้นต่อไปเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นแบบอย่างไว้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในคำภีวิพังปรกรณ์ดังนี้ ภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาย่อมแผ่อุเบกขาจิตไปทางทิศหนึ่งอยู่นั้นคือทำอย่างไรภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาย่อมแผ่อุเบกขาจิตไปในสัตว์ทั้งปวงเหมือนอย่างที่ได้เห็นคนอื่นซึ่งไม่รักไม่ชังคนหนึ่งแล้วพึงเป็นผู้เฉยเฉยอยู่ฉชนนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อโยคีบุคคล ได้เจริญอุเบกขาให้เกิดในคนเป็นกลางๆเป็นอันดับแรกดังนั้นแล้วพึงฝึกทำอุเบกขาจิตนั้นให้อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยว่าสีห้าจนได้ที่แล้วแต่นั้นพึงพยายามเจริญอุเบกขาให้เกิดในคนที่รักต่อไปรันทำอุเบกขาจิตในคนที่รักให้อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานจนได้ที่แล้วถัดนั้นพึงเจริญอุเบกขา ให้เกิดในเพื่อนใจนักเลงต่อไปครั้นทาอุเบกขาจิตให้อ่อนนุ่มนวลควรแกการงานจนได้ที่แล้วถัดนั้นพึงเจริญอุเบกขาให้เกิดในคนคู่เวรต่อไปฉนี้อุเบกขาสีมาสัมเพทครั้นแล้วโยคีบุคคลพึงพยายามเจริญอุเบกขาจิตให้เป็นสีมาสัมเพท โดวยวางใจไว้เป็นกลางๆางในบุคคลเหล่านี้คือคนที่รักหนึ่งเพื่อนใจนักเลงหนึ่งคนคู่เวรหนึ่งและตนเองหนึ่งเมื่อได้ปฏิบัติถึงขั้นสีมาสาเพศแล้วเชนนี้พึงซ่องเสพให้หนักยิ่งขึ้นซึ่งสมถะนิมิตคือสีมาสาเพศนั้นทำให้เจริญขึ้นภาวนาให้มากๆเข้าด้วยภาวนาวิธี ดังที่ได้แสดงมาแล้วนั่นแหละในที่นี้เหตุที่ท่านยกเอาตอนเองมาตั้งไว้ในลำดับหลังสุดนั้นก็เพราะการที่จะวางใจเป็นกลางๆในตนเองเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากยากยิ่งกว่าคนคู่เวรเสอีกทั้งนี้ด้วยความเห็นแก่ตนเป็นภาวะที่มีกำลังมากโดยธรรมนิยมของโลกิยาบุทุชนนั่นเอง บรรลุจตุตถาชานก็แหละเมื่อโยคีบุคคลได้พยายามอย่างมุ่งมั่นด้วยการสองเสพนิมิตกรรมฐานอยู่อย่างนั้นไม่ช้าไม่นานสักเท่าไหร่จตุตถาชานอันมีอุเบกขาพรมวิหารเป็นนิมิตก็จะสำเร็จบังเกิดขึ้นมาซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนอย่างที่ได้แสดงมาแล้วในปัตวีกสินภาวนานั่นแล ด้วยประการชนนี้เป็นอัญโยคีบุคคลผู้เจริญอุเบกขาพรมวิหารภาวนาได้ปฏิบัติถึงขั้นสุดยอดแห่งอุเบกขากรรมฐานนี้โดยบริบูรณ์แล้วแลอาการเกิดขึ้นแห่งจตุทธาฌานในปัทวีกสินก็แลลักษณะอาการที่บังเกิดขึ้น ของจตุตถาฌานที่ท่านแสดงไว้ในปฐวีกสินนั้นข้าพระเจ้าขอยกมาไว้ณที่นี้อีกวาระหนึ่งเพื่อสนองเจตนาของผู้ใกล้จะทราบและเพื่อช่วยส่งเสริมความเข้าใจในที่นี้ให้เด่นชัดขึ้นดังต่อไปนี้เมื่อโยคีผู้ฌาญละลาผีบุคคลซึ่งทำฌานให้คล่องแคล่วดีแล้วด้วยวสีทั้งห้า ออกจากตติยะฌานที่ตนทำให้ชำนานดีแล้วนั้นเมื่อพิจารณาเห็นโทษในตติยะฌานว่าสมาบัตินี้ยังใกล้ต่อปีติอันเป็นฆาศึกอยู่และฌานก็มีกำลังอ่อนเพราะสุขอันเป็นองฌานเป็นสภาพที่หยาบครั้นแล้วก็ฝ่ใจไปถึงจตุตถาฌานโดยเห็นเป็นสภาพที่ละเอียดประณีตกว่าจึงคลายความพอใจในตติยฌาน แล้วลงมือพยายามภาวนาต่อเพื่อให้ได้บรรลุจตุทถธาฌานต่อไปก็แลขณะใดายโยคีบุคคลออกจากตัติยะานแล้วใช้สติสัมปชัญญะกำหนดพิจารณาองค์ฌานอยู่นั้นความสุขใจอันได้แก่โสมนสเวทนาก็จะปรากฏให้เห็นโดยเป็นภาวะที่หยาบเด่นชัดขึ้นอุเบกขาเวทนา กับเอกคตาคือภาวะที่จิตมีอารมณ์ดิ่งเป็นหนึ่งก็จะปรากฏให้เห็นเป็นภาวะที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นขณะนั้นแหลกกำลังที่โยคีบุคคลพิจารณาสมถานิมิตยอยู่ว่าปทวีปทวีหรือดินดินดังนี้เพื่อละองค์ชาญที่หยาบนั้นและให้ได้มาซึ่งองชาตที่ละเอียดต่อไป และรู้สึกขึ้นว่าจะตุทัตถฐชานจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วมโนทวาร ว, วัชนะจิตซึ่งมีปัทวีกสินนั่นแหละเป็นอารมณ์ทำหน้าที่ตัดกระแสะวังกจิตแล้วก็เกิดขึ้นมาแทนทันทีถัดนั้นและในอารมณ์เดียวกันนั้นเจวนาจิตก็เกิดขึ้นสี่ครั้งหรือห้าครั้งแล้วแต่กรณี สำหรับโยคีเป็นติขบุคคลมีปัญญากล้าเจวนาจิตเกิดขึ้นเพียงสี่ครั้งครั้งที่หนึ่งเรียกว่าอุปจาระที่สองอนุโลมที่สามโคตรภูที่สี่คือจตุตถาชาญสำหรับโยคีผู้เป็นมันธบุคคลปัญญาอ่อนคือปัญญาน้อยจวนาจิตเกิดขึ้นห้าครั้งคือบริกรรมอุปจาระอนุโลม โคตรภูและจตุทัตชานตามลำดับชาวนาจิตดวงสุดท้ายคือครั้งที่สี่หรือครั้งที่ห้านั้นคือตัวจตุทัตชานจัดเป็นรูปาวาจรกุศลส่วนชวนาจิตดวงต้นต้นคือบริกรรมอุปจาระอนุโลมและโคตรภูยังเป็นกามาวาจรกุศลอยู่ ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้เป็นอันว่ายโยคีบุคคลนี้ได้บรรลุถึงซึ่งจตุทธาชาญอันมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาเวทนาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์เสียแล้วโสมนัสเวทนาและโทมนัสเวทนาก็ดับมาแล้วตั้งแต่ต้นด้วยประการชนนี้จตุทธาชาญหรือชาญที่สี่ โดยจตุกข น, นัยอันมีปัทวีกสินเป็นนิมิตซึ่งละองหนึ่งประกอบด้วยองสองมีความงามสามสมบูรณ์ด้วยลักษณะสิบเป็นอัญโยคีบุคคล น, นี้ได้บรรลุแล้วแหลอุเบขาจตุทถตชาญมีเหตุจำกัด ถามว่าอุเบกขาจตุตถะฌานนี้จะเกิดแก่โยคีบุคคลผู้สําเร็จตติยะฌานในปัตตวีกสินเป็นต้นได้ไหมเพราะเหตุไรตอบว่าไม่ได้เพราะเหตุที่อุเบกขาจตุตถะฌานนี้กับปัตวีกสินตติยะฌานเป็นต้นเป็นสภาพมีอารมณ์ไม่ถูกส่วนกัน อุเบกขาจตุตถาชานี้จะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะแก่ชานลาภีบุคคลผู้ได้ตัติยะชาญมาในพรมวิหารสาเบื้องต้นเท่านั้นเพราะเป็นสภาพมีอารมณ์ถูกส่วนกันคือมีสัตว์บัญญัติเป็นอารมณ์เหมือนกันส่วนปัทวีตัติยะชาญเป็นต้นก็มีกษินนิมิตเป็นต้นเป็นอารมณ์ชนี้ วิธีการแผ่อุเบกขาสามอย่างลำดับต่อไปนี้ผู้ปฏิบัติพึงศึกษาให้เข้าใจวิธีการแผ่อุเบกขาสามอย่างตามที่ท่านแสดงเป็นแบบไว้ในคำภีปฏิสัมพิธามักคือการแผ่อุเบกขาอย่างไม่เจาะจงที่เรียกว่าอนโนทิโสภาณนาโดยอาการห้านั้นอย่างหนึ่ง การแผ่อุเบกขาอย่างเจาะจงที่เรียกว่าโอทิโสภาลนาโดยอาการเจ็ดนั้นอย่างหนึ่งการแผ่อุเบกขาไปในทิศ ท, ที่เรียกว่าทิสาภาลนาโดยอาการสิบนั้นอย่างหนึ่งซึ่งมีตัวอย่างแห่งภาวนาวิธีดังต่อไปนี้อนุทิโสภาลนาคําแผ่อุเบกขาไม่เจาะจงโดยอาการห้าสเพสัตตา กรรมสกาาหวนติสัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนสัพเพปานากรรมสกาหวติปานะทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนสัพเพภูตากรรมสกาหวนติผู้ทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนสัพเพปุคลากรรมสกาหวนติบุคคลทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน สัพเพอัตภาวะปริยาปนากรรมสกาโหติผู้มีอัตภาพทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมแห่งตนโอทิโสภารณาคำแพรอุเบขาเจาะจงโดยอาการเจ็ดสัพพาอิธโยกรรมสกาโหณติสตรีทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนสัพเพปุริสากรรมสกาโหณติ บุรุษทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนสัพเพอริยากมัสกาโหนติพระอริยเจ้าทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนสัพเพ อ, อนาริยากมัสกาโหนติปุถุชนทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนสัพเพเทวากมัสกาหนติเทวดาทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน สัพเพมนุษกากรรมสกาหวติมนุษย์ทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนสัพเพวินิปาติกากรรมสกาโหนติพวกสัตว์วินิปาติกะทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนที่สาภาลนาวิธีแพอุเบขาไปในทิศโดยอาการสิบ วิธีการแผ่อุเบกขาไปในทิศนั้นคือยกเอาอนทุทิศบุคคลห้าจำพวกโอทิศบุคคลเจ็ดจำพวกรวมเป็นสิบสองจำพวกไปตั้งไว้ในทิศทั้งสิบแล้วแผ่อุเบกขาไปในบุคคลสิบสองจำพวกที่อยู่ในทิศทั้งสิบนั้นจึงเรียกว่าแผ่ไปในทิศโดยอาการแห่งภาวนาสิบอย่างเมื่อว่าโดยบุคคลเป็นสิบสองวาระตัวอย่างดังต่อไปนี้ ทำแผลอุเบกขาในทิศโดยอาการสิบวาระที่หนึ่งในบุคคลที่หนึ่งสัพเพปุรัติมายะทิสายะสัตตกร ม, มสกาโหนติสัตทั้งปวงในทิศบุรพาเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนสัพเพปัจชมายะทิสายะสัตตกร ม, มสกาโหนติสัตทั้งปวงในทิศประจิมเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน สัพเพอุตตรายะที่สายะสัตตากรรมสกาโหติสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรนเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนสัพเพทักขินายะที่สายะสัตตากรรมสกาโหณติสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษินเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนสัพเพบุรัติมายะอนุทิศายะสัตตากรรมสกาโหณติ สัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนสัพเพปัชมายาอนุธิสายะสัตตกรมสกาโหนติสัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนสัพเพอุตรายาอนุธิสายะสัตตกรมสกาโหติสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสารเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน สัพเพทคินายะอนุทิสายะสัตวตากามัสกาโหณติสัตวทั้งปวงในทิศฮอรดีเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนสัพเพเหติมายะทิสายะสัตตากามัสกาโหนติสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่างเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนสัพเพอุปริมายะทิสายะสัตวตากามัสกาโหนติสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน เป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนส่วนการแผ่อุเบกขาไปในทิศโดยอาการสิบในบุคคลอีกสิบเอ็ดจำพวกหรือสิบเอ็ดวาระตั้งแต่จำพวกที่สองคือสัพเพปานาปานะทั้งปวงถึงจำพวกที่สิบสองคือสัพเพวินิปาติกาพวกสัตว์วินิปาติกะทั้งปวงนั้น ผู้ปฏิบัติจงนำมาประกอบเรื่องโดยทํานองเดียวกับวาระที่หนึ่งต่างแต่ต้องยกเอาบุคคลประเภทนั้นๆมาประกอบแทนตรงที่ว่าสัตตาในคำบาลีหรือตรงที่ว่าสัต์ในคำไทยเท่านั้นเห็นว่าผู้ปฏิบัติสามารถที่จะนำมาประกอบได้เองจึงไม่ยกมาแสดงไว้เต็มรูปในที่นี้ อุเบกขาอัปนนา132ในอุเบกขาภาวนานี้เมื่อโยกขี่บุคคลปฏิบัติจนได้บรรลุถึงขั้นอั ป, ปนาจตุทัตชานและได้ทําการแผ่อุเบกขาไปโดยอาการแห่งภาวนาห้าในอนุทิโสบุคคลโดยอาการแห่งภาวนาเจ็ดในโอทิโสบุคคลและโดยอาการแห่งภาวนาสิบในบุคคลสิบสองจำพวก โดยภาวนาวิธีดังแสดงมาก็จะได้อปปนาชาญทั้งสิ้นหนึ่งร้อยสามสิบสองอปปนาคืออปปนาในอนโนทิโซภารณาห้าในโอทิโซภารณาเจ็ดและในทิสาภารณาหนึ่งร้อยี่สิบรวมเป็นห น, นึ่งร้อยสามสิบสองอานิสงุเบคาก็แลโยคีบุคคล ผู้เจริญอุเบกขาพรมวิหารนี้จนได้สำเร็จขั้นอัปปนาจตุทัาชานเป็นจตุทัฏฐ า, า น, นลาภีบุคคลแล้วย่อมมีอันวางได้ซึ่งอ น, นิสงส์ถึงสิบเอ็ดประการมีนอนเป็นสุขเป็นต้นฉันเดียวกับเมตตาพรหมวิหารทุกประการนั่นแหละจบอุเบกขาภาวนา